สุกไว้ตรงไหนเจ้วก็ตามหากันให้พลามบางทีก็ไปโทษกับคนนั้นเราไปคนนี้ยวไปดูดีๆเอามาเจอวางผิดเองวางไม่เป็นที่มีปัญหาส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นตอนวางเนี่ยตอนหยิบนี่ไม่มีปัญหาพออรายงวพอตอนหยิบนี่เรา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 ความรู้เนี่ยมันเหมือนกับแสงสว่างหลงก็เหมือนความมืดจิตใจของพระอรหันต์หรือจิเจ้าพุทธเจ้าก็เปรียบได้เหมือนกับห้องที่สว่างสวยไปหมดไม่มีความมืดหลงเหลืออยู่นเพราะว่าแสงไยมันในห้องนั้นสว่างจ้า แต่จิตของคนส่วนใหญ่ก็อาจจะคล้ า, ายกับศาลานี่เนะก็คือว่ามันมีแสงสว่างลางๆเรือนๆนะมันมีหลายมุมนะที่เป็นความมืดเพราะว่าต้นอที่มาของแสงสว่างก็เป็นแค่เทียนแต่ก่งดีนะเป็นเทียนพรรษานะถ้าเป็นเทียนแท่งเนี มันก็จะมืดมากกว่าสว่างในการปฏิบัติธรรมก็คือการเพิ่มความสว่างเพิ่มให้มันสว่างสว่างสว่างอยู่ทั่งมันสว่างไปทั้งสาราไม่มีความมืดสุกซ่อนอยู่อันนี้ทางขนาดนี้านนั้นก็เรียกว่าเป็นพระอริยใจยพระอรหรันต์นะ ไม่มีไม่มีที่ทางให้กับอสิ่งที่เรียกว่าจิตไร้าสานึกนะจิตไร้าสานึกจิตใต้สําสนึกเนี่ยมันจะไม่มีคนธรรมดานี่จิตไร้สํานึกนี่นะมันก็เข้ามาวิทธิพลในจิตใจเรามากโดยไม่รู้ตัวโผลมาในในความฝันหรือว่ากํากับการดําเนินชีวิตของเรา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 ชอบเป็นลมไปเลยเพื่อนเห็นหายไปนานเอจใจก็เลยไปตามเห็นเป็นลมอยู่ที่หน้าห้องน้ำเจ้าตัวนี้ก็พอฟื้นขึ้นมาก็งงนะทำไมกลัวทำไมกลัวหมามากจนทั้เป็นลมอธิบายไม่ได้ก็ติดค้างอยู่นานนะจนกระทั่งวันหนึ่งก็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 กลัวนึกถ้าแล้วก็เจ็บมันก็เลยกดเอาไว้ตนลืมไปเลยนะว่าเคยโดนหมากัดแตพ่พอเจอห ม, มาดําก็หมาดำเดีวที่เคยกัดในวัยเด็กมันจู่ๆมันก็แสดงการออกมานะเจ้าตัวไม่รู้นะแต่มันอยู่นะมันมีอยู่อจิตไร้สานึกเนี่ยเป็นมุมมืดของจิตนะซึ่งแต่ละคนมีทั้งนั้น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 วันละหลายร้อยครั้งเลยให้ตอนหยิบไม่เป็นปัญหานะส่วนใหญ่เราหยิบด้วยความรู้ตัวอยู่แล้วไม่มีเหตุก็ไม่มหยิบนะไม่ใช่ประเภทหยิบหยิบแบบไม่รู้เนืรู้ตัวอันนี้ก็มีบ้างอาจจะอาจจะน้อยหยิบตามความเคยชินใน่ส่วนใหญ่แล้วหยิบด้วยความรู้ตัวตอนหยิบปรู้แต่ตอนวางกับหลงมาการปฏิบัติเนี่ยนอกจาการปฏิบัติในรูปแบบ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 แกก็รายได้หนึ่งก็มาจากการการให้กู้นะเก็บดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยก็แพงแล้วก็ชาวบ้านหลายคนก็ไม่มีเงินจ่ายเมื่อตั้งดอกเบีย้ยนะก็ต้องถูกยึดนะอาจจะเป็นโฉนดจะเป็นที่ดินนะในต่างจังหวัดนะ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 ในตำบลนะทั้งตลาดเลยก็ว่าได้วันหนึ่งเพื่อนก็ได้ข่าวก็เป็นห่วงก็เลยมาเยี่ยมเพื่อนก็อยู่ัยเดียวกันแหละอายุมากมาก็เป็นที่นับถือของไอ้เศรษฐีในทุนเงินกู้คนนะันแต่ว่าก่อนที่จะก่อนที่จะพอเจอกันก็แกก็บอกว่าเนี่ย หยิบเอาถือก้อนหินก้อนนี้ให้หน่อยแกติดเอาก้อนหินถือมาติดมือมาด้วยก้อนหินก้อนใหญ่นะก็พอดีกับมือนะเอาถือให้หน่อยนะแกไอพ่อในายทุนเงกุ้นนั้นก็ถือเอาไว้จับไว้แล้วก็สนทนากันสอถามคุยคุยกันอยู่พักใหญ่นะนายทึงก็บอกว่าอหินที่มันหนัก เพื่อนก็เลยบอกอ้านักก็วางสิแกก็วางวางแล้วแกก็ถามเป็นไงเออสบายเพื่อนก็เลยบอกว่านีกกาาาาเน่เออให้รู้จักวางบ้างนะไอ้ที่ทุกเนี่ยนะเพราะยังไม่รู้จักวางเพื่อนก็สงสัยอะไรอะไม่วางอะไรก็เพื่อนก็เลยบอกนี่ไอ้เรื่องนี่สินอะไรต่างนี่ไงีย ใครไม้ใครคนจายนี่ไม่มีเงินจ่ายนี่ก็อย่าไปกังวลมากนะที่จริงน่าจะน่าจะน่าจะปล่อยปล่อยไปนะพวกเหล่านี้ใครจายนี่ไม่ได้ก็อย่าไปสนใจนะช่างเข้าไปเรื่องนี้ก็ไปซะยวก็ได้คิดขึ้นมาเลยนะ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 มันก็ต้องยิ่งต้องรู้จักวางหลายคนเนี่ยเหมือนกับคนที่แบกก้อนหินเอาไว้ทั้งที่รู้ว่ามันหนักก็ไม่ยอมปล่อยเสร็จแล้วไปถทยก้อนหินว่าก้อนหินมันหนักก้อนหินมันหนักมันหนักอย่างนี้ว่ะไปถทดก้อนหินแต่ว่าไม่ได้เฉลียวใจมองว่าแล้วกูแบกมันทำไม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 ตบใจโดยดยการรู้จักวางแต่แล้วก็ไม่ยอมวางอีกนะอันนี้เราสองต่อยนะคือไปแบกด้วยความหลงแล้วก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางอันนี้มันแยนกอย่ามือนะมือเรานี่เวลาหยิบของอะไรนี่มันหยิบด้วยความรู้ตัวมันมีเป้าหมายแต่ใจเรานี่มันไปแบกมาไปยึด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 มันเหมือนกับเหมือนกับฐานนะฐานก้อนแดงๆที่ไปหลงคิดว่ามันเป็นเป็นทองเนี้ยอันนี้เรียกว่าเห็นกงจับเป็นดอกบัวได้เหมือนกันนะก็เป็นความหลงชนิดหนึ่งนะคือหลงผิดนะหลงเชื่อเป็นของดีหลง ม, มีหลายแบบนะหลงคือไม่รู้ตัว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 ไม่ต้องไปทะเลาะเบกแววงกับมันเพียงแค่ให้มีสติเติมสติลงไปเติมความฝึกตัวทั่วพ้องไปมันก็หายไปเองนะให้ให้ฉลาดนนในการรับมือแบบสิ่งเหล่านี้